มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตติยวัคสัญญาลักษณะปัญหาที่สิบถามว่า สัญญาเมื่อบังเกิดมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินบูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐด้วยปัญญาปรีชาอันว่าสัญญานั้นมีลักษณะประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชชาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐ สัญญาเมื่อบังเกิดมีลักขณะรู้ว่าแดงว่าขาวเป็นต้นว่าสีมนสีเหลืองประการใดก็ดีสัญญานี้มีลักษณะรู้จักดุจพรนนามาชะนี้พระเจ้ากรุงมิลินเลิศกษัตริย์มีพระราชะค์การตรัสว่านิมนพระผู้เป็นเจ้าอุปมาไปให้แจ้งก่อนพระนาเกษณจึงอุปมาว่ามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสัญญานี้เมื่อจะบังเกิดนั้นมีลักษณะดุดพันดาคาริกะบุรุษชาวคลังพันดาคารังปวิสิตวาชาวคลังนั้นเข้าไปในคลังแล้วก็เห็นสิ่งของในคลังอันแดงเหลืองขาวหงสะบาดก็รู้ว่าสิ่งนั้นนั้นชั้นใดก็ดีสัญญานีไซ ก็มีลักษณะรู้จักว่าดำแดงขาวเหลืองเป็นอาทิเหมือนชาวคลังฉะนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรทรงฟังก็โสมนาตรัสว่าการโลสิสาธทุสะพระผู้เป็นเจ้า ว, วิสัชนานี้สมควรสัญญาลักษณะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเท่านี้